ย้ยคนหนึ่งนะป่วยจะโรคมะเร็งแตะตลางก็อาการก็ลุกลามจนอยู่ในระยะท้ายอายุก็ยังไม่มากนะสี่สิบกว่าแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานมากระหว่างที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอก็มาสนทนาด้วยแล้วผู้ป่วยก็พูดอยู่ประโยคนึงนะว่าถ้าย้อน กลับไปได้เนี่ยก็จะไม่ทุ่มเทกับงานหนักขนาดนี้แล้วแกก็เล่าว่าเนี่ยที่ผ่านมานี่ทุ่มเทกับงานมากทําทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าอีกอย่างนึงก็คือว่า เ, เข้าใจว่าเนี่ยงานที่ทําเนี่ยมันขาดตัวแกไม่ได้มีความเข้าใจว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนสําคัญขององค์กร ที่ขาดเราไม่ได้ก็เลยทำงานเต็มที่ร่างกายก็ไม่ค่อยได้ดูแลและป่วยนี่ก็ได้พบความจริงอย่างหนึ่งนะว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีเราก็อยู่ได้ไม่มีเราก็มีคนอื่นทําแทนได้แต่ว่ากว่าจะรู้ความจริงข้อนี้มันก็ สายไปแล้วอาจารย์นี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยก็จะมาทำงานให้น้อยลงแล้วก็จะดูแลตัวเองให้มากขึ้นอันนี้เป็นเรียก ว, ว่าความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับอาจารย์คนนี้คนเดียวนะมีหลายคนมากเลยนะที่พอ อ้วหนักวินัยท้ายเนี่ยก็จะมาได้เฉลียวใจฉุกคิดว่าเนี่ยเราทำงานหนักมากเกินไปไม่ได้คิดว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานมันไม่ใช่เป็นทั้งหมดของเราคนเก่งคนที่มีความสามารถเนี่ยเวลาทำงานแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จ เป็นที่ยกย่องจะรับคันชื่นจนสารเสริญจากคนในหน่วยงานก็มักจะอดคิดไม่ได้วันเนี้ยเราเป็นคนสำคัญถ้าหน่วยงานไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้หรือถ้างานที่ขาดเราก็ไม่สำเร็จอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะปรารถนาความก้าวหน้า มันก็เลยทุ่งเทกับงานจนาระทาั่งร่างกายมันทนไม่ไหวเจ็บป่วยตอนนั้นถึงรู้ว่ามันยังมีอย่างอื่นที่สำคัญไม่น้อยกว่าหรืออาจจะสำคัญกว่าการทำงานมันเช่นเรื่องสุขภาพเป็นต้นเที่อาจารย์วันนี้พูดเนี่ยน่าคิดนะที่บอกว่าเนี่ยเพิ่งมารู้ว่า โรงนี้ไม่มีเราก็อยู่ได้คนเก่งเนี่ยนะมักจะเกิดความเข้าใจผิดหรือความหลงผิดว่าชั่โรนี้ไม่มีเราคงจะแย่แน่เลยเพราะนั้นมีงานใดก็ตามก็ต้องทุ่มเทเข้าไปเพราะถ้าไม่มีเรางานนล้วก็ไปต่อไม่ได้ พอดีคนเราเนี่ยยิ่งเก่งเท่าไหร่ยิ่งก็ต้องเตือนใจเตือนตนนะว่าโรงนี้ไม่มีเราก็ยังอยู่ได้ก็ยังบุนเหมือนเดิมบ่ต้อชวนคึกฤิเนี่ยตอนที่อายุมากเนี่ยเขียนกรอนไว้บทหนึ่งนะน่าสนใจเริ่มต้นด้วยบา ท, ที่วเนี่ยถ้าโรงนี้ไม่มีคนชื่อยคึกเลิ ก็ไม่มีอะไรผิดแปลกที่ตรงไหนที่วาวานยังจะแจ้งแสงตะวันยามราตรีมีพรจจันต์กระจ่างตาอันนี้ก็จะเป็นการเตือนตัวท่านเองก็ได้นะว่าเนี่ยแม้โลกนี้ไม่มีคนชื่อคกิคลิตเนี่ยมันก็ร่นยัก็ยังบุนได้เหมือนเดิมแต่ถึงไม่ใช่ คนเก่งนะอย่างคึกลิกนะแต่ว่าหลายคนก็มีความเข้าใจแบบนี้แหละอย่างอาจารย์ท่านนี้นี่บอกว่าเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเนี่ยโลกนี้ไม่มีเรานะมันก็ยังอยู่ได้ไม่มีเราก็มีคนอื่นทําแทนได้ <c oughs> มารู้ตอนไหนมารู้ตอนที่ป่วยหนักแล้วป่วยหนักแล้วก็ยังมีคนทา ทำแทนได้ต่อไปแต่เป็นบทเรียนที่ราคาแพงนะเพราะว่ามารู้ว่าองค์กรขาดเราก็ยังได้ก็ต่อเมื่อได้มาได้ป่วยจนถึงระยะท้ายแนละ้วที่ตั้งใจว่าเนี่ยถ้าลู้นี้เนี่ยก็จะมาดูแลร่างกายให้ดี แต่ไม่ทุ่มเทกับงานขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นความรู้ที่สายไปแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่เมื่อชีวิตมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็จะพบว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็จะไม่ใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่และส่วนใหญ่เนี่ยมาพบหรือมันมีความปรารถนาตรงนี้เนี่ย ก็ต่อเมื่อชีวิตมาถึงเกือบระยัดท้ายแล้วคือป่วยหนักบางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องสุขภาพแต่นึกถึงอย่างอื่นมากกว่าเช่นครอบครัวอย่างมีพิธีกรคนหนึ่งเนี่ยเมื่อสักยีปีก่อนก็มีชื่อเสียงมากนะเป็นคนที่ดีฉลาดมีความสามารถหน้าตาก็ดี สามจบจากเมืองนอกเป็นด็อกเตอร์มาจากกลับมาจากเมืองนอกก็มีงานเข้าเยอะแยะเลยโดยพาะงานพิธีกรเรียกว่าที่ไหนที่ไหนก็อยากได้ด็อกเตอร์คนนี้ไปเป็นพิธีกรหรือว่าไปร่วม ง, งานเป็นพรีเซนเตอร์นี่ากก็เรียกว่าทําเต็มที่นะ แทบจะไม่ปฏิเสธงานเลยเพราะถือว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วตั้งใจว่าเนี่ยจะพูดเทให้กับงานสักยี่สิบปีเมื่อมีเงินได้มากพอก็จะให้เวลากับครอบครัวแต่พอกว่าทำงานไม่ได้สิบปีก็ป่วยเป็นมะเร็งและเงินที่หาไ ม, มาได้เนี่ยจากการทำงานหนักก็ ใช้ไปกับการรักษาตัวแต่ก็รักษาไม่หายพอถึงริยะท้ายนี่แกก็พูดว่าเนี่ยเสียใจเนเสียใจที่ให้เวลากับครอบครัวน้อยไปแล้วพูดถึงแล้วก็พูดถึงลูกสาวว่าถ้าพ่อเลือกได้ก็จะอยู่บ้านให้นานกว่า น, นี้อันนี้ก็คล้ายๆกับอาจารย์คนที่ว่านะ คือถ้าเลือกได้หรือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็จะไม่ทำอย่างที่ทำอยู่ไม่ทำอะไรคือไม่ทุ่มเทกับงานจนสุขภาพย่ำแย่แต่สุดท้ายก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวโดยเพาะลูกๆซึ่งยังเล็กที่ตั้งใจว่าจะทำงานหนักตั้งกีิปีเราจะให้เวลาดูแลกลับมาดูแลลูกอยู่กับลูก ทำไม่ได้ยิปีที่ตั้งใจไว้ก็ทำไม่ถึงและที่จะมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นก็ทำไม่ได้นี่เป็นบทเรียนก็เหมือนกันนะสำหรับคนที่ยังมีสุขภาพดีแล้วก็ยังมีชีวิตที่ยังมีอนาคตนะที่ยาวไกล ซึ่งที่จริงก็ไม่มีใครรู้นะว่ามันจะยาวไกลแค่ไหนเพราะว่าอะไรๆก็ไม่แน่ตั้งใจว่าจะทำงานจนอายุห้าสิบแล้วจะได้มาอยู่กับครอบครัวเพราะว่าอายุแค่สนะี่สิบะก็ร่างกายก็ย่าแย่แล้วแต่ก็เป็นบทเรียกคนทั่วไปนะว่าในการที่เราทุ่มใยกับ ง, ง, งาน จนลืมไปว่ามันมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าหรือสำคัญไม่น้อยกว่างานเนี่ยมันมีอยู่เช่นสุขภาพร่างกายเช่นครอบครัวแต่บครั้งคนเราก็หลงเพลินกับงานโดยเพราะคนเก่งคนที่มีความสามารถเนี่ยงานที่ทำมันก็กำลังรุ่งเงินทองก็ดีชื่อเสียง ที่ตามมาก็ดีความสําเ็ยก็ดีเนี่ยมันก็ชวนให้หลงไหลจนกระทั่งลืมนึกถึงสิ่งอื่นที่สำคัญแล้วพอมาได้คิดว่าชีวิตที่เป็นอยู่มันผิดพลาดเนี่ยมันก็สายไปซะแล้วเพราะว่าป่วยหนักแต่บางคนก็ไม่ได้ป่วยหนักนะแต่ว่าชีวิตก็พลิกผัน เรียกว่าจากหน้ามือไปหลังมือแล้วถึงตอนนั้นจึงได้คิดว่าชีวิตที่ผ่านมานี่มันผิดพลาดอย่างหมอคนหนึ่งชื่อหมอวิสุทธ์เนี่ยบุญเกษมสันติเนี่ยเคยเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากนะเป็นอาจารย์แพทย์ที่จุฬามีรูปศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็เป็นสูตรินารีแพทย์ที่เรียกว่าอยู่ในอันดับต้นๆของกองประเทศ แต่แล้ววันหนึ่งก็ถูกจับข้อหาฆ่าภรรยาและตลังก็ถูกตัดสินลงโทษปรานชีวิตแต่โชคดีนะได้ลดโทษจากจำคุกตลอดชีวิตก็กลายเป็นจำคุกแค่ไม่กี่ปีเพราะเป็นนักโทษดีเด่นตอนที่แกใกล้จะออกจากคุกเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์นะน่าสนใจบอกว่าเสียดายที่ทุ่มเทกับงาน มากเกินไปจนไม่มีเวลาฝึกฝนปฏิบัติธรรมตอนนั้นในหัวเนี่ยมันมีแต่เรื่องของงานเรื่องของวิชาการเรื่องการสอนการวิจัยจนไม่มีเวลาฝึกจิตฝึกใจเพื่อการคลองสติตอนนี้รู้แล้วว่าเนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสําคัญกับวิชาวความรู้ แล้พูดประโยชน์นะว่าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้เนี่ยก็จะให้เวลาการปฏิบัติธรรมมากขึ้นไม่ใช่มารอจนแก่แล้วค่อยมาคิดทำอันนี้ก็เป็นขอ้อเขดของคนซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป่วยระยะสุดท้ายนะแต่ว่าเจอวิกฤตในชีวิตถึงขั้นกลายเป็นคาตกรแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามาได้ ตอนหนักว่าช่อที่ผ่านมานีพลาดทุ่มเทงานมากไปเหมือนไอ้สองคนแต่ว่าเพราะกับมอยอแงงว่าถ้ามีถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะไม่ใช่แค่ดูแลสุขภาพหรือจะให้เวลาครอบครัวแต่จะให้เวล า, ก, ลววลาการปฏิบัติธรรมการฝึกสติเพราะรู้เลยว่านะถ้าหาว่าตอนนั้นตัวเอ ง, เ, องเนี่ย มีสติสามารถครองสติได้คงจะไม่เผลอทำผิดทำพลาดอย่างมหันต์เกิดวิกฤตในชีวิตเกิดวิกฤตในความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้ามีสติก็คงจะไม่ขุนหานพันแล่นบันดาลโทสะจนกระทั่งกลายเป็นฆาตกรก็คงจะใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหาให้รู้ร่วง ตอนกลาง ค, งคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องป่วยระยะท้ายถึงจะได้คิดนะบางทีชีวิตเนี่ยเกิดทำผิดพลาดแล้วถึงได้คิดและข้อคิดของหมอวิสุทธิ์นี่น่าสนใจมากเลยนะเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเจริญสติเนี่ยนอกจากการให้เวลากั บ, บการดูแลสุขภาพให้เวลากับ ครอบครัวแล้วเนี่ยสิ่หนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะคือการให้เวลากับจิตใจของตัวแต่คนมักจะมองข้ามสิ่ง น, นี้แม้แต่เรื่องสุขภาพเรื่องของครอบครัวเนี่ยที่จริงคนจำนวนมากก็รู้นะนัว่าสำคัญแต่ทำไมจึงละเลยอันไปทุ่มเทของงานมาก เหตุผลก็เพราะว่างานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผัดผ่อนได้ยากไอเรื่อเป็นงานจัดประเภทว่าเป็นงานด่วนที่สําคัญด่วนและสําคัญไอเรื่องสุขภาพเรื่องการให้เวลากับครอบครัวไม่วจะเป็นลูกหรือพ่อแม่คนรักเรื่องต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยสําคัญก็จริงแต่ไม่ด่วนไม่ด่วนแม้ว่าผัดผ่อนได้แม้คน จนวนมากใจว่าสำคัญแต่ว่าก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆอันมาใส่ใจกับงานมากกว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันไห้ผลตอบแทนหรือรางวัลที่มันดึงดูดใจเงินทองชื่อเสียงความเก้าหน้าความสำเร็จส่วนเรื่องสุขภาพเรื่องอครอบครัวเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่อันนี้สองมันไม่ค่อยชัดเจนทั้งที่มีคุณค่ามาก นี่ก็เลยทำให้คนเนี่ยหลงไปกับการทํางานอันนี้ไม่นับนะการหลงไปกับความเพลิดเพลินสนุกสนานซึ่งก็เป็นปัญหาคนจนโดไม่น้อยจริงๆคนลอมก็ง่ายนะที่จะหลงเพลินกับงานหลงเพลินกับความสําเร็จหลงเพลินกับเกียรติยศชื่อเสียงหรือหลงเพลินกับความสนุกสนานเนี่ยแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเตือนสติเราได้นะก็คือการเราลึกถึงความตาย คนเราพลเ ร, ริรืงความตายเนี่ยหรือถ้าเกิดถามตัวเองว่าเนี่ยถ้าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อีกสามวันสามเดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยเราจะยังจะทำสิ่งที่เราทำอยู่ไหม <_ cía> คนเราถ้าเกิดว่าถามตัวเองจริงนะว่าถ้ามีเวลาแค่สามวันสามเดือนเนี่ยจะทำอย่างที่ทำอยู่ไหมหลายค น, นจะพบว่าไม่ทำดีกว่า แทนที่จะทุ่มเทกับ ง, งานการก็จะหันมาให้เวลากับสุขภาพกายสุขภาพจิตกับการให้เวลาครอบครัวลูกหลานพ่อแม่แต่คนเรามักจะไม่เคยได้ถามตัวเองก็เลยทำไปทาสิ่งทาสิ่งที่ทำอยู่กว่าจะรู้ว่าสายไปแล้วนี่ก็ไม่มีเวลาตั้งตัวแล้ว ถ้าเคนเรามีถ้ายังมีโอกาสนะควรจะถามตัวเองนะหรือเราลึกถึงความตายว่าถ้าเราจะตายในวันนี้วันพรุ่งอยู่ในไม่กี่วันเนี่ยเราจะยังทำอย่างที่ทำอยู่ไหมหรือว่าเราจะทำอย่างอื่นและแน่นอนนะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสตินี่สำคัญมากเลยพอเวลาเราเจ็บป่วยหรือป่วยหนักเนี่ย ถึงจนหนึ่งหมอหรือยาก็เอาไม่อยู่แต่ว่าสติสมาธิหรือว่าคุณภาพจิตของเราเนี่ยที่มันจะช่วยได้แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะถึงแม้จะไม่ป่วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตเนี่ยเกิดเจอแรงกระทบหรือเกิดวิกฤตสติก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เสียสูญหรือว่าไม่หุนหันพลันแล่นทำตาม อำนาจของโทสะหรือความหลงเพราะคนราแม้จะโชคดีไม่เจบไม่ป่วยแล้วก็หนีไม่พ้นจะต้องเจอความสูญเสียเจอความขัดแย้งในความสัมพันธ์เจอการวิาบากบารหมางถ้ารู้จักคลองใจคลองตนด้วยสติก็จะไม่ลงเอยอย่างหมอวิสุทธิ และที่สำคัคือว่าสติมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่เพลินไปกับสิ่งที่ทําอยู่ไม่หลงลืมสิ่งที่สําคัญในชีวิตคนเราเนี่ยมันหลงลืมง่ายนะแม้จะเป็นคนดีคนเก่งคนขยันก็หลงลืมสิ่งสําคัญในชีวิตได้ง่ายนะอย่างตัวอย่างสองตัวอย่างแรกที่พูดถึงเนี่ย ทำงานจนลืมสุขภาพทุ่มเทงานจนลืมครอบครัวแต่ถ้ามีสตินะมันจะทำให้เตือนตนไม่หลงเพลินกับงานหรือความสนุกสนานหรือชื่อเสียงกติยศจนลืมสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะถ้าลืมแล้วเนี่ยก็ จ, จะ เสียใจหรือเสียดายในสิ่งที่ทำหลวงพ่อจรันท่านพูดไว้ดีนะท่านบอกว่าเนี่ยมันมีสองสิ่งนะที่คนส่วนใหญ่เสียใจ 1. ทําทำโดยไม่ได้คิด 2. ได้แต่คิดแต่ไม่ทำทำโดยไม่คิดก็คือว่าจะทำด้วยอำนาจของกิเลสอำนาจของราคะ หรือโทรศัพนี่ทําทำโดยไม่คิดเสร็จแล้วก็มาเสียใจว่าฉันไม่น่าเลยไม่น่าพลั้งเผลอรู้งี้ไม่ทำดีกว่าหรือเพื่อให้สองคือว่าได้แต่คิดแต่ไม่ทำเพราะว่าอาจจะคิดว่าเดี๋ยวก็เอาไว้ทำวันหลังก็แล้วกันผัดผ่อนไปเรื่อยคิดว่ามีเวลาแต่ลืมไปว่า ความตายหรืออย่ว่าแต่ความตายเือความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่รอใครถึงแม้ไม่ตายแต่ความเจ็บป่วยก็ทำให้ไอ้สิ่งที่คิดและอยากจะทำสุดท้ายก็ไม่ได้ทำฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าว่ามาถึงบรปลายของชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจหรือเสียดายนีย่ก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตได้อย่างหนึ่งนะจะเรียกว่าโชคดีก็คงไม่ถูก เพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโชคมันต้องมันเกี่ยวเรื่องของการที่รู้จักวางแผนชีวิตอย่างมีสติมีวิ จ, จารณญาณเมื่อเรามาถึงระยะทางของชีวิตแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกเสียดายหรือเสียใจกับสิ่งที่ทําไม่มีความปรารถนาที่จะย้อนกลับไปย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทําอยู่ถ้าคนเรามาถึงมาได้ตระหนักตรงนี้หรือมาพบว่าไม่มีความจาเป็นจะต้องย้อนเวลากลับไปเพราะที่ทํา ก็ได้ทําดีที่สุดแล้วอันนี้ก็ถือว่ามีชีวิตที่น่าภาคภูมิใจซึ่งเราทุกคนนี้ก็สามารถจะทำเหมือนัันได้ถ้าว่าเรารู้จักวางแผนชีวิตแล้วก็มีสติกับการดำเนินชีวิตโดยเพาอการให้เวลากับการฝึกฝนปฏิบัติธรรมให้เวลากับจิตกับใจของตัวนอกจากจะเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของครอบครัว